เหมือนกับเราขึ้นต้นไม้ลุกขึ้นเครื่องบินมองเห็นถนนหนทางมองเห็นต้นไม้มองเห็นบ้านหลังก็เรียกวุ่ภูเข า, เขเขามองเห็นเขาเล็กเลกน้อยๆอยมันขึ้นไปมันดูสูงและสามารถมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เ่ะจิต ว, อวต่องไวที่หงพจิตว่องไวสามารถมองเห็นอะไรทุทกอย่างแล้วกระตัดสีนลงไปไม่พลาดเลยถ้าทุกคนนี่มาที่นี่ตั้งใจทา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 อันนี้เดี๋ยวพูดของจริงไม่ใช่เป็นพูดอวดเนี่ยอันนี้พูดของจริงให้ทุกคนนําไปใช้ออกชีวิตประจําวันนี้ต้องปฏิบัติอย่างนี้เป็นทางรัดพึ่นเครื่องบินตื้อไปทีเดียวเลยลงสนามบินดอนเมืองออกจากดอนเมืองมาแล้จีมาขอนแก่นตื้อมาลงสนามบินขอนแก่นสั้งสี่สิบห้านาทีเท่านั้นเองจเดงว่าไม่คลองแวะขับให้ทาน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 ให้พวกเราได้เข้าใจนำไปปฏิบัติจริงๆตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะอพยายามเงียบอย่าไปพูดไปคุยกันมากเมื่อเรานั่งอยู่คนเดียวนั่งอยู่เพิกมือขึ้นคมมันจะเจ็บงอแขนที่เข้านะทีแรกเนี่เมื่อเจ็บงอแขน่ะเออใกล้ๆแล้วจะรู้เข้ามาแล้วเนียมันเพรียปนั้นหลวงพ่อทําำมันเดียวหนวงพอจนเจ็บงอแขนเลยเอากระจริงๆจังๆอันนี้เรามันไม่เอาจริงมันจะเอาในน้อยอย่าพูดมาก